มันเวทนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการสัมผัสทางทวารหกเนี่ยนะตัวเวทนานะทีที่ว่าคุณภาพของเวทนาเนี่ยจะมีกําลังจะหนักจะไม่หนักจะเบาเป็นต้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณภาพของอารมณ์เนี่ยนะคุณภาพของอารมณ์เนี่ยเป็นตัวกําหนดเวทนาเนี่ยนะถ้าคุณภาพของอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาโดยมาก โสมนัตเวทนาถ้าถ้าคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าลาบอารมณ์นั้นที่คนคนฟังเนี่ยคิดว่าตนได้โสมนัตถ้าคิดว่าตนเสียโทมนัตเนี่ยนะหรือถ้าคิดว่าตนนิยศอันนี้ถือว่าได้โสมนัตถ้าเสื่อมยศโทมนัตเนี่ยนะก็คิดแบบโลกธรรมก็ง่ายดีเนี่ยนะคือก็เห็นเหมือนกันแหละแต่เห็นแล้วคิดว่าได้หรือคิดว่าเสียตรงนั้นเนี่ยแหละ อารมณ์ตัวนั้นเป็นตัวบอกว่าจะโสมนัสหรือโทมนัสส่วนสัญญานะธรรมชาติที่ทรงจำอารมณ์ก็คือจำอารมณ์ในทวารหกนนะก็เช่นรูปสัญญาสัทธสัญญาคันธาสัญญ า, า, ญญา เ, นะเป็นตัวธรรมชาติที่ทรงจำหรือสำคัญหมายในอารมณ์หกเพราะมีสัญญาเนี่ยแหละจึงจำหมายถึงว่าสีทั้งหลา ย, ยแตกต่างกัน ถ้าไม่มีสัญญานะจะจะแยกใครไม่ได้จําอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะสัญญานี่เป็นตัวกําหนดแยกแยะว่านี้สีเขียวนะนี้สีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงไปต้นเนี่ยนะพระราสายสัญญาเป็นตัวแบ่งแยกจากในมาติกาโชติกาแสดงว่าเป็นโอราริกรูปสิบเอ็ดจ้าสำหรับอนิทัศนะสัพติคะเว้นรูปอารมณ์ก็คือจะต้องจะรวมทวารด้วยจ้ะ มีภาษาทรูพ5าด้วยอ๋อใช่จ้าค่ะในทุติยบทจะเป็นสภาพในองค์ธรรมนะเจ้าค่ะจะเป็นโอราริกรูปสิบเอ็ดเว้นรูปารมอ๋อใช่ใช่ชค่ะใช่ใช่ธรรมะที่เป็นไปกับการกระทบแต่เห็นไม่ได้หมายถึงโอราริกรูปเพราะโอราริกรูปเนี่ยต้องต้องกระทบเป็นธรรมชาติที่กระทบ แต่ถ้ามองไปที่อารมณ์เนี่ยนะถ้ามองมองไอ้ปัญจทวาร น, น่ะตัวทวารคือจากขู่ภาษาธาโสตประสาธาเนี่ยมันไม่ได้มากระทบกับเพราะมันเป็นรู้ทางใจใช่ไหมมันไม่ได้มากระทบกับทวารจริงๆนะคือที่ที่ของมาอธิบายตอนแรกในแง่นั้นเจนผาแต่ถ้าเป็นสภาวะที่กระทบจริงก็อันนี้ก็ใช่เพราะตัวตัวเขาเองเนี่ยกระทบจริง คือมองในแง่ธรรมชาติที่กระทบเนี่ยใช่แต่ถ้ามองในแง่ว่าเขาเนี่ยมากระทบกับมโนทวารจริงไหมก็เพราะเขาจึงเป็นอธิว จ, จนะสัมผัสอันนี้เครียกว่าคิดในแง่อารมณ์ทัวอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาเนี่ยธรรมชาติที่จำหมายในอารมณ์เช่นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้ตนเนี่ยพวกนี้อานุภาพของสัญญา พันเมื่อกากมีสัญญาอย่างนี้แหละบุคคลจึงเจริญกสินได้อน น, นเพราะสัญญาเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญทําให้เจริญกสินต่างๆแล้วสัญญานี่แหละคือตัวสําคัญที่ทําให้เกิดทั้งราคะโทสะและโมห ะ, ะหรืออีกในหนึ่งพระองค์ตรัสในแง่ว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาตัวตัวอารมณ์นะอารมณ์มีหกไหม รูปเสียงเกลิน่นรสขรัพภะแล้วก็สุดท้ายธรรมะตัวสัญญาเนี่ยเขาอย่างที่คุณเคยได้ยินนะว่าการเรียกชื่อธรรมะเนี่ยเขาเรียกตามอารมณ์กับตามตามทวารเช่นวิญญาณทัะเวทนาเรียกตามทวารถ้าสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์เรียกตามอารมณ์เนี่ยนะ พวกสัญญาที่กําลังพูดถึงเนี่ยนะเรียกตามตามอารมณ์ถ้ารูปประสัญญาถ้ามีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปประสัญญามีเสียงเป็นอารมณ์เรียกว่าสัทธาสัญญามีกลิ่นเป็นอารมณ์เรียกว่าคันธาสัญญามีรสเป็นอารมณ์เรียกรสาสัญญามีโพธภาพเป็นอารมณ์เรียกโพธภาสัญญาถ้ามีธรรมะเป็นอารมณ์เรียกธรรมะสัญญากุศล ส, สัญญาประกอบไปด้วยเนคขมมะ อภยาปาท้าอาวิหิงสาเนี่ยนะเป็นกุศลสัญญาถ้าอากุศลสัญญาก็เป็นการมาสัญญาพยาปาท้สัญญาและวิหิงสาสัญญาเนี่ยนะพวกสัญญานี่มันด้วยอมันจะต่อด้วยอกุศลอย่างนี้ง่ายนะมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะบางทีก็เป็นกุศลสัญญาบางทีก็เป็นอกุศลสัญญา ทั้งนั้นเนื่องจากอภยกระบะเขาเรียกว่าอัพยกรรมตะสัญญาอัพยากะตะสัญญาเช่นว่าเมื่อมีรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมด้วยอำนาจสัญญาในจักขูวิญญาณสัมปติชนะเป็นต้นเนี่ยที่เป็นอัพยากะตะเนี่ยจะต่อด้วยกุศลสัญญาหรืออ่ะกุศลสัญญาเนี่ยนะก็ดูว่าความโน้มเอียงของสัญญาที่สั่งสมมาเนี่ยจะไปหาจะไปหาอะไร สัญญาที่เป็นอัพยากตะเนี่ยนะในจักขูวิญญาณเป็นต้นดูว่าจะเป็นปัจจัยแก่กุศลสัญญาหรืออาุศลสัญญาถ้าเป็นกุพวกกุศลสัญญากับอาคุศลสัญญามันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเช่นว่าทามากด้วยอาคุศลสัญญากุศลสัญญาก็ไม่ค่อยเกิดถ้ามากด้วยกุศลสัญญาอาคุศลสัญญาก็ไม่ค่อยเกิด ทนี้ในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะตัวสัญญาเนี่ยเรายกมาที่รูปมาอันเดียวตรงนี้แล้วต่อด้วยรูปประสัญญาตัวนี้ต่อด้วยเนคขมะสัญญาถ้าเนคขมะสัญญาพวกนี้จะต่อด้วยวันณะกสินวันณะกสินเนี่ยในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือพูดกสินภูตะกสินก็คือปฐวีกสินเป็นต้นในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือกลุ่มอาโภาทั้งหลาย กล่มกลุ่มอสุภาษทั้งหลายก็คือเจริญอาศัยสัญญาเป็นหลักนะนะสัญญาเป็นหลักเช่นปูลกวกะสัญญาเงี้ยนะทีนีละกะสัญญาเป็นต้นเชื่อมเชื่อมมหาพวกนี้สัญญาขันเนี่ยพระองค์จึงแสดงว่ามีสีเป็นอารมณ์สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงพระองค์จะจําแนกตรงนี้เป็นพิเศษเนี่ยนะสัญญาเนี่ยจำแนกไปที่รูปเป็นหลักเพราะจะต่อด้วย กุศลธรรมทั้งปวงกุศลธรรมโดยเฉพาะสมถะพนั้นท่านจึงแบ่งว่าอันนี้เป็นได้ทั้งอุปจาระนะเป็นได้ทั้งอุปจาระและอัปปนาทีนี้นกคสินภูตะถเนี่ยสามารถเพิกจากอัปปนาเพิกสินเนี่ยมาเป็นอากาศเพิกจากอารมณ์ทั่ ว, วไปมาเป็นอรูปฌานได้ น, นะ ก, ก็จะเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้ เพราะอารูปฌานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสัญญาถ้าใครจะเข้าอารูปฌานได้เช่นว่าไม่ใส่ใจในกสินใช่ไหมก็จะไปเหลืออากาศพวกนี้เป็นเรื่องของสัญญาทั้งนั้นก็เรียก อ, อากาสานัญญายุตนะวิญญาณัญญายุตนาอากินัญญายุตนะเนวะสัญญาณนาะสัญญายุตนะก็เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเป็นหลักทั้นสัญญาที่พระองค์แสดงนั้นเป็นทั้งอุปจาระและอัปปนาอัปปนาก็ตั้งรูปฌานแล้ว อารูปาญพวกนี้อาศัยสัญญาเป็นหลักในการเจริญเช่นใครจะเจริญสีขาวเป็นอารมณ์ก็ต้องมีสีขาวอย่างเดียวเป็นอารมณ์ในขณะที่เจริญกะสินตัวนี้เนเธอถ้าถ้าเห็นชัดในแง่การเจริญกะสินการบัญญัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผลต่อการปฏิบัติเธอคื อ, คอเช่นว่าที่พระองค์เน้นพิเศษว่าจหมายในสีขาว ส, ขาสีเขียวสีเหลืองสีแดง อันนี้คือยกขึ้นมายกตัวอย่างอย่างนี้นะเสร็จแล้วจะได้ต่อว่าสีขาวเป็นอารมณ์ทั้งอุปจาระและอัปปนาสีเขียวก็เป็นท้องอารมณ์ทั้งอุปจาระและอัปปนาสีแดงสีเหลืองก็เป็นอารมณ์ของอุปจาระและอัปปนาเพราะว่าเป็นการแสดงธรรมะเพื่อพวกมีฌานเข้าฟังด้วยถ้าเป็นทางบาลีเลยส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าสระติเนี่ยสระน่คือระลึกได้ใช่ในทางสายทางพระวินัยก็ เกี่ยวกับเรื hat, ่องจําแบบภาษาไทยนะจําแบบภาษาไทยไทยเนี่ยคือคือบาลีใช้คําว่าสารติเช่นในวินัยมหิเอกจังสารติเอกจังนัสรติว่าข้าพเจ้าเนี่ยอบัตบางตัวที่ข้าพเจ้าต้องเนี่ยข้าพเจ้าละลึกได้ก็มีาบางตัวข้าพเจ้าระลึกได้บางตัวข้าพเจ้าละลึกไม่ได้นั้นใช้คําว่าสารตินี่ยเอกจังสรติเอกจังนัสรติเนี่ยใช้สระคือละลึกกันนะสระเช่น สา ร, ระในการระลึกไปแต่ถ้าเป็นจำเนี่ยจำทางทางธรรมะกับทางโลกมันก็บางทีก็แตกต่างกันการระลึกเท่นจำเรื่องในอดีตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของสติแต่ถ้าร ะ, ะลึกด้วยอกุศลเรียกว่ามิชฉาสติถ้าร ะ, ะลึกด้วยกุศลก็เป็นสัมมาสติเนี่ยนะเช่นการจำเรื่องเหตุการณ์ในอดีตทั้งหลายเลย แม้พวกระลึกชาติได้ก็ใช้ความว่าเหมือนกับว่าจําชาติกําเนิดของตัวเองได้นั่นแหละออย่างระลึกชาติได้นี่ใช้ภาษาอะไรเนีะใช้สารติบ้างระลึกชาติได้ลลก็เท<อ>นิวาสานุสติอย่างก็อนุนสติกก็สารติสาร ะ, ระก็เป็นสารติสา ร, ส ร, สรติอีกเหมือนกันก็คือระลึกได้นั่นเองคือพวกระลึกได้เนี่ยท่านบอกว่าเหมือนอย่างว่าเราไปบ้านเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสามหลังนี่นะ มีเพื่อนบ้านอยู่สามสี่หลังแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านโน้นออกจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นออกจากบ้านโน้นไปบ้านโน้ น, นแล้วมานั่งอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเรานึกออกทั้งหมดได้ไหมระลึกได้ไหมอันนี้แหละลักษณะของสติเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันระลึกได้แบบนั้นที่ที่ความหมายของจำในภาษาไทยโดยมากเป็นอย่างนี้ยจำความหมายในภาษาไทยนะแต่คําว่าสัญญาในที่นี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวสภาพรู้ด้วยกันก็มีสัญชานาติ แล้วก็รู้อีกรู้ลึกลงไปอีกหน่อยก็คือวิชานาติใช่ไหมครับคือรู้ได้ด้วยด้วยวิญญาณแล้วก็รู้ลึกลงไปอีกก็คือรู้ด้วยปัญญาคือประชานาติเนี่ยนะเพื่อสัญชาพวกพวกรู้แบบสัญญาเนี่ยเช่นว่าคนที่มีตาทั้งหลายเนี่ยนะเอานะคนที่มีตาทั้งหลายเนี่ยแยกแยะความต่างแห่งสีได้ไหมใครที่มีตาเนะแ ย, ยกแยะความต่างแห่งสีได้นั่นแหละอนุภาพของสัญญา มันทําให้แยกว่าเออนี่สีเขานี่สีเหลืองมันไม่เหมือนไงเห็นเหมือนกันเลยอันนี้นี่คือลักษณะของสัญญาแต่ถ้าจากตรงนี้ไปแล้วแล้วมันนึกว่าเอออันนั้นเป็นยังไงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของสติไม่ใช่สัญญากิจของสัญญาเนี่ยมันจําเรื่องเฉพาะหน้ญญาแต่กิจของการระลึกในอดีตเนี่ยพวกนี้เป็นกิจของสตินะถ้าเป็นอดีต ท, ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องอดีตใช้คําว่าสติถ้าเกี่ยวกับปัจจุบันเห็นเอยู่ใช้คําว่าสัญญา ก็ดังที่พุทธพุโธตัสว่าสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้การเห็นสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงพวกนี้ต่อด้วยกุศลสัญญาใช่ไหมกุศลสัญญาที่เรียกว่าเนกขมมะสัญญาแล้วเจริญสมถะทั้งหลายได้แต่ถ้าไปให้ความจํากัดความคําอธิบายแนวอื่นเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับอัตกถาเพราะอัตกถาอธิบายว่าสัญญาในสีขาวเป็นต้นเนี่ยนะมันได้ทั้งอุปจาระและอัปปนา แต่ที่อื่นๆก็อธิบายเป็นว่ า, ากุศลสัญญากับอกุศลสัญญาแล้วตัวอกุศลสัญญานี้ก็มีการแก้แก้แก้อกุศลให้เป็นกุศลเช่นคนทั้งหลายที่ชอบความสวยความงามเนี่ยนะก็ถาม่าชอบอะไรชอบสีถ้าชอบสีอย่างนั้นนะเขาก็มีว่าคนที่ติดในในใน ในอารมณ์ในความสวยความงามเนี่ยนะเขาเจริญด้วยการแก้อกุศลสัญญาเช่นปุรุวกะสัญญาไปเจริญว่าซากศพที่คลาคล่ําไปด้วยหนอนอ น, น, นีเช่นว่าไปคนบางคนเนี่ติดในเรื่องผิวมากก็ให้ดูอ ส, สุภาที่เกี่ยวกับวินีละกะสัญญาว่าโอ้โหนั่นน่ะเขียวจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะไปดูคนเป็นเอกก็ได้ลักษณะนั้นแล้วก็จําภาพอันนั้นเข้าไว้พวกนี้ก็จะติดความความงามในเรื่องผิว หรือถ้าคนที่ติดความงามในเรื่องสวดทรงสันฐานก็เนี่ยพวกนอนชอนชยัยเป็นต้นหรือเห็นอืดขึ้นทองพวกนี้ก็ไปแก้ด้วยอสุภาษสัญญาเพราะฉะนั้นอสุภาษสัญญาพวกนี้ก็ไปเรียกว่าสัญญาเหมือนกันก็เพื่อที่จะเจริญนิมิตเกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ยแก้ตรงนี้แก้รูปประสัญญาตัวนั้นก็คือไอ้ระลึกไอ้ตัวนั้นอะเพื่อมาแก้ในอารมณ์ที่เห็นเห็นเนพราะการเจริญ ล, ลักษณะกรรมฐานมันยังไงมันก็ต้องบวกสติโดย โดยธรรมชาติก็ถึงระลึกถึงของเก่าด้วยก็เกิดการเปรียบเทียบกันอย่างไปอย่างกลับไปกลับมาเนี่ยนะแต่เพื่อต้องการเจริญสุภาพเพื่อต้องการแก่อิรู ป, ปรสัญญาบางตัวที่มันเพราะรู ป, ปรสัญญานะสัญญาเป็นเหตุให้ที่มาของความเนื่อนชา้าคือตันหามานะกับทิฐินั่นเองเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยนะเป็นกระดูกท่อนใหญ่ของอรรมามานานแล้วแทะไม่ได้ยากมาก